ดูผนเพลนที่ว่ามาคลายว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ไม่ใช่ยังดูไม่เป็นจึงได้พลาดกันมาควรศึกษากันให้ดีอันนั้นพูดสั้สนๆว่าเป็นความฉลาดในการจัดการปัญหาในระบบเงื่อนไขแต่ถึงจะฉลาดจัดการเก่งอย่างไรวิธีนี้ก็แทบไม่มีทางจะสร้างคนอย่างไอสไตน์ขึ้นมาได้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 ด้วยอยากให้มันแข็งแรงสะอาดหมดจดสดใสอยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของมันอีกคนหนึ่งอยู่กับตันหาตามปกติจึงขี้เกียจไม่ดูแลมันเลยต่อมาเกิดตันหาจะยั่วยวนล่อตาคนอื่นจึงเป็นเงื่อนไขให้ต้องพยายามแต่งให้สวยที่สุดขอให้ดูว่าในสองรายนี้อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนจะพอดี ให้ผลดีแก่ชีวิตร่างกายมากกว่านี่คือง่ายๆในชีวิตประจำวันทีนี้ก็มาดูระบบเงื่อนไขในการจัดการตัญหาเมื่อกี้ได้บอกให้เห็นความแตกต่างระหว่างกระบวนการของฉันทะกับกระบวนการของตัญหาอย่างที่หนึ่งแล้วคือในกระบวนการของตัญหาจะเกิดมีอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาทีนี้ก็ถึงความแตกต่างอย่างที่สอง คือกระบวนการของตันหาที่ใช้ตันหาเป็นแรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนอารยธรรมด้วยระบบเงื่อนไขพร้อมกับเป็ น, นกลไกของการพัฒนาที่เรียกกันว่าไม่ยั่งยืนพอตันหาเกิดขึ้นก็อยากจะเสพแต่ยังไม่มีของที่จะเสพก็หาทางที่จะได้จะเอามาตอนนี้มันจะไม่เดินหน้าไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย แต่จะมาเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการแบบเงื่อนไขตรงนี้ขอให้สังเกตเดี๋ยวจะเถียงว่าเออตันหาก็ททำให้อยากทำเหมือนกันนี่เปล่าไม่จะอยากให้ทำหรอกตันหามันอยากจะเสพอยากจะได้อยากจะเอาแต่มันยังไม่มีจะเสพมันยังไม่ได้แล้วทำอย่างไรจะได้มาเสพละ่ะก็เลยมาเข้ากับระบบเงื่อนไขว่าคุณต้องทำนี่ แล้วคุณจะได้นั่นถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณก็ไม่ได้อันนั้นนี่แหละตันหาจึงทำให้เกิดการกระทำในระบบเงื่อนไขเมื่อทำตามเงื่อนไขทำเพราะเป็นเงื่อนไขก็ไม่ใช่ทำเพราะอยากทำก็ไม่มีชันทะเมื่อการกระทำไม่เป็นการสนองความอยากทำคนนั้นก็ไม่มีความสุขเขาไม่อยากทำเขาก็ไม่เต็มใจทำ การกระทํานั้นก็กลายเป็นความทุกข์พวกตันหานั้นทําแค่ตามเงื่อนไขเพราะถ้าตัวไม่ทําก็จะไม่ได้ของมาเสพและเขาจะสุขต่อเมื่อได้เสพแต่ตอนที่ทํานี่จําใจก็จึงต้องทําไปด้วยความทุกข์ต้องรอเวลาที่จะได้เสพอีกตั้งเมื่อไรกว่าจะได้ความสุขตอนทํานี่ยาวกว่าจะได้สุขสักทีต้องทุกไปตั้งนาน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 เคยยกตัวอย่างบ่อยๆให้เห็นว่าโลกมนุษย์เวลานี้อยู่ในระบบเงื่อนไขแทบทั้งนั้นมนุษย์มีความฉลาดก็จัดตั้งกฎสมมติซ้อนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลตามเงื่อนไขกฎธรรมชาติคือกฎแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่เป็นธรรมดาส่วนกฎสมมตินั้นมนุษย์ที่ฉลาดจัดตั้งขึ้นโดยมาตกลงกันวางเป็นเงื่อนไข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 ที่มีบริเวณกว้างขวางมีอาคารมากมายสวยงามเราก็อยากให้สถานที่เรื่อนรมมีสนามหญ้าเขียวขจีมีต้นไม้นานาพันมีใบดอกและดอกหลากสีสวยงามบานสะพรั่งเป็นที่สดชื่นเรื่อนรมเมื่อต้องการอย่างนี้เราจะทำอย่างไรตอนนี้แหละมนุษย์มีปัญญาฉลาดรู้จักแบ่งงานกันทำ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 กฎสมมุติของมนุษย์นั้นเรียกกันว่ากฎหมายก็เป็นกฎโดยหมายรู้คือตามสัญญาว่าไปตามสมมุติที่ตกลงกันว่าเอาอย่างนี้นะเอาเป็นว่าฉันจะจ้างคนขึ้นมาแล้วนะให้เขาเป็นคนสวนมาทำหน้าที่รดน้ำรวนดินตัดแต่งต้นไม้กำจัดวัชพืชเป็นต้นดูแลบำรุงพืชพันธุ์ให้เป็นสวนที่เรื่นรมสวยงาม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 มองดูก็จริงนี่คนต้องทำสวนรดน้ำรวนดินอยู่หนึ่งเดือนแล้วเขาก็ได้เงินเดือนเจ0ดพันบาทเงินเดือนเจ็ดพันบาทเป็นผลของการทำสวนชัดเลยแต่ตอนนี้ที่จริงมีสองกฎซ้อนกันอยู่คือกฎที่หนึ่งกฎธรรมชาติว่าต้นไม้จะงอกงามได้เพราะมีปุ๋ยมีน้ำ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 มันไม่แน่นอนเด็ดขาดเหมือนอย่างกฎธรรมชาติคืออาจจะเบี้ยวหรืออาจจะหลอกกันได้เช่นว่าทำสวนครบหนึ่งเดือนแล้วแต่ผู้จ้างอาจจะไม่ให้เงินเจ00บาทบางทีเขาให้แค่ 5,000 ันบาทถ้าไม่ยอมก็ต้องทะเลาะหรือฟ้องร้องกันหรือในทางตรงข้ามในคนที่มารับจ้างทำสวนเอาเงินเดือนเจ0 0บาทอาจจะไม่ตั้งใจทำงาน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 ไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้แล้วพอไม่ทําตามเป็นอย่างไรมนุษย์ก็ทะเลาะกันมนุษย์ก็มาวุ่นวายกันด้วยเรื่องเงื่อนไขในกฎสมมติของมนุษย์นี่แหละระบบสมมตินี้จึงยุ่งยากก่อปัญหามากที่สุดเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงสักอย่างในกฎมนุษย์นี้กลายเป็นว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่กฎแต่ความจริงมาอยู่ที่คน จะให้ได้ผลจึงต้องฝึกคนให้ซื่อสัตย์ไปไปมาก็เป็นปัญหาในเรื่องของการศึกษาคือการที่จะพัฒนาตัวคนอย่างน้อยให้เขารักธรรมรักความจริงอยู่กันด้วยสัตว์จะย้ำอีกทีว่ากฎสมมุติของมนุษย์นี้เป็นระบบเงื่อนไขคุณต้องทำสวนหนึ่งเดือนแล้วคุณจึงจะได้เงินเดือนเจ0 0ันบาท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 เขาไม่มีฉันทะเขามีแต่ตันหาคืออยากได้เงินเจ0 0บาทตันหาก็จึงทำให้เกิดการทำงานตามระบบเงื่อนไขของกฎสมมติที่ตกลงกันไว้ถึงตอนนี้จุดที่จะเน้นก็คือเมื่อคนไปทำสวนโดยไม่มีฉันทะคือไม่มีความต้องการที่จะให้ต้นไม้เติบโตงอกงามเขาก็ไม่รักงานเขาก็จาใจฝืนใจทา เพราะฉะนั้นเขาก็จึงทำงานด้วยความทุกข์นี่คือปัญหาหนึ่งที่สําคัญของคนในโลกปัจจุบันที่กลายเป็นว่าอารยธรรมจเจริญขึ้นมาคนก็จเจริญไปด้วยความทุกข์คนทำงานทำการเรียนหนังสือกันด้วยความทุกข์เพราะพากันมาอื้อตื่ออยู่ในระบบเงื่อนไขเสีหมดพูดตรงๆก็คืออยู่ในระบบตันหานั่นเอง